อาจารย์คนนึงนะอายุประมาณ48ปลปลายปลาย้าต้ น, ตนเป็นคนที่มีอนาคตไกลนะชีวิตเขาก็ไปได้ดีมีความก้าวหน้าใดอาชีพการงานนะเป็นถึงศาสตราจารย์ลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะแล้วเาก็มีความสุขกับงาน มีความสุขกับครอบครัวพาอมีครอบครัวที่อบอุน่นมีคนที่รู้ใจแล้ววันหนึ่งเขาเพบว่าเขารู้สึกอ่อนเพลียตอนหลังก็มีอาการปวดนะที่ช่องท้องด้านบนต่อมาตัวก็เริ่มเหลืองไปหาหมอตรวจก็ตรวจพบก้อนมะเร็งนะ สิบก้อนอยู่ที่ตับอ่อนก็ถามหมอนะถึงโอกาสอยู่รอดเนี่ยหมอก็บอกว่าเนี่ย9ของคนที่เป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน5ปีเขาก็ทำใจได้นะไม่ตื่นตกใจมากก็พยายามที่จะดูแลรักษาตัวตามคำแนะนำของหมอ ไม่ได้ตื่นตกใจอะไรแต่ว่าอาการก็ไม่ดีขึ้นแถมแย่ลงไปเรื่อยๆสุดท้ายวันหนึ่งเขาก็ถามหมอว่าเนี่ยอีกนานแค่ไหนนะกว่าผมจะตายหมอตอบดีนะหมอตอบว่าคุณมีเวลาสามหกเดือนที่จะมีสุขภาพดีนันเป็นคำตอบที่เขาไม่คาดคิด น, นะว่าจะได้จากหมอนะเพราะว่าเขาถามว่าเนี่ย มีเวลานานแค่ไหนนะกว่าจะตายแต่หมอบอกว่าเนี่ยมีเวลา 3-6 เดือนที่จะมีสุขภาพดีมันเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยแทนที่จะไปจดจ่ออยู่กับความตายซึ่งก็ทำให้จิตใจหดหูนะอย่างถ้าหมอตอบว่าเนี่ยอยู่ได้ นะอีกสองสามปีกว่าจะตายเนี่ยคนไข้เนี่ยก็จะนึกถึงแต่ความตายจิตใจก็ห่อเหี่ยวแต่หมอไม่ได้พูดถึงความตายหมอพูดถึงการมีสุขภาพที่ดีว่ายังมีเวลาสามหกเดือนพอต่อไปนี้ใจมันก็มาให้ความสำคัญกับเรื่องการมีสุขภาพดี แล้วเมื่อรู้ว่ามีเวลาอีก 3-6 เดือนที่จะมีสุขภาพดีก็ทำให้หวางแผนชีวิตได้ว่าจะทำอะไรบ้างในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้านี้เขาบอกคำตอบหมอที่ทำให้เขารู้เลยนะว่าเขาจะต้องท ำ, ทำอะไรกับชีวิตที่เหลือแทนที่จะเอาแต่ห่อเหียวนะว่าฉันกำลังจะตายแล้วหรือเนี่ย ก็กลับมาใส่ใจว่าเนี่ยในช่วงที่ฉันมีสุขภาพดีเนี่ยฉันควรจะทำอะไรบ้างแล้วเขาก็วางแผนชีวิตเลยนะ mm hmm. เช่นวางมือจากงานการแล้วก็หันมาให้เวลากับครอบครัวหันมาทำสิ่งที่เขาอยากจะทำแต่ไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าติดพันกับงานการ เขาใช้เวลาช่วงเนี้ยสาหเดือนเนี้ยบอกว่าทำสิ่งที่วิเศษสุดในชีวิตด้วยความรู้สึกเบิกบานอันนี้เพราะว่าหมอเนี่ยตอบดีนะแทนัีน่จะพูดถึงความตายแต่กลับพูดถึงว่าการมีสุขภาพดีนะหมอส่วนใหญ่เนี่ยนะคงจะไม่ได้ตอบแบบนั้นนะ น, นะ พอตอบตามที่คนไข้ถามเนี่ยว่าอยู่ได้อีกสองสามปีกว่าจะตายเนี่ยคนไข่ก็หอเหี่ยวเลยเพราะนึกแต่คำว่าความตายแต่พอหมอพูดถึงการมีสุขภาพดีเนี่ยคนไข้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้ว่าเนี่ยในช่วงที่เหลือต่อไปนี้เนี่ย ควรจะทำอะไรบ้างฟังเรื่องนี้เราก็ทำให้นึกถึงครอบครัวหนึ่งนะสามีก็ป่วยเป็นมะเร็งอาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งรักษาไม่ได้แล้วก็ต้องเยียวยาตามอาการก็มารักษาตัวที่บ้านเรียกว่ารักษาตัวก็ไม่ถูกนะก็ม า, าใช้ชีวิตที่เหลือที่บ้าน มีเวลาไม่นานนะไม่เกินหกเดือนภรรยานี่ก็เศร้าเสียใจแล้วก็วิตกกังวลมากเพราะว่าแกนึกถึงแต่ความตายของสามีหรือมึกไปถึงว่าเนี่ยสามีตายไปแล้วเนี่ยฉันจะอยู่อย่างไรนะลูกๆจะอยู่อย่างไรใครจะส่งเสียลูก ที่แบบนี้ก็ทำให้จิตใจนี่ห่อเหี่ยวมากขึ้นเลยตจงกระทั่งร่างกายพ่ายพร้อมกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักก็ลดเธอก็เขียนมาท้าตมาซึ่งก็ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวนะถามว่าจะทำยังไงดีตมาก็บอกว่าก็เห็นใจนะที่สามีของโยมเนี่ยนะกำลังจะเสียชีวิต แต่ว่าอย่าลืมนะตอนนี้เนี่ยสายเมียงโยงยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายขณะที่เขายังมีชีวิตยังมีลมหายใจยังมีความรู้สึกตัวยังสามารถที่จะใช้ชีวิตนะไม่ตายจากคนส่วนใหญ่ได้เนี่ยอันนี้คือโอกาสทองคือเวลาทอง ควรใช้ชีวิตช่วงนี้เนี่ยให้มีคุณค่ามีความสุขร่วมกันหรือว่าใช้โอกาสนี้ทาความดีต่อกันและกันเดีย๋ยวเพิ่งไปนึกถึงความตายของสามีซึ่งมันเป็นอนาคตนะนึกถึงตอนนี้ว่าสามีเขายังพูดคุยได้ยังพอจะไปไหนมาไหนได้บ้างนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญ แล้วควรใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําความดีร่วมกันหรือชวนกันไปทําความดีหรือว่ามีความสุขร่วมกันอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าโยมเนี่ยจะช่วยเขาไม่ได้ทางร่างกายนะแต่ว่าด้านจิตใจเนี่ยช่วยเขาได้เยอะถ้าโยมนยมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบานหรือว่ามีความ แจมใสไม่เครียดมันก็ช่วยถ่ายเทความสุขของโยมไปให้กับสามีได้แต่ถ้าโยมเครียดนะแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองทั้งกายทั้งใจเนี่ยไอความทุกข์ของโยมเนี่ยมันก็จะส่งผ่านไปที่สามีทำให้แย่กว่าเดิมคือป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจ พูดไปเช่นนี้เนี่ยไม่นานเธอก็ตอบกมาว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็หันมาดูแลตัวเองนะหันมาเอาใจใส่สุขภาพตัวเองแล้วก็พยายามใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยทําสิ่งดีๆร่วมกันนะก็รู้สึกดีขึ้นทั้งสองฝ่ายแทนที่จะห่อเหี่ยวเพราะนึกถึงแต่ความตายของสามีซึ่งเป็นเรื่องอนาคตนะ ก็หันมาสนใจนะกับตอนนี้ที่สามีนะยังพอจะใช้ชีวิตนะอย่างมีความสุขได้้คนเราเนี่ยนะบางทีเราไปนึกถึงอนาคตมากเกินไปโดยเพราะอนาคตที่มันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็ยังไม่เกิดในเวลานี้ ในขนาดนี้เนี่ยยังมีสุขภาพดีก็ก็ต้องรู้จักนะชื่นชมแล้วก็ใช้ความมีสุขภาพดีนี่ให้เกิดประโยชน์อาจารย์นนี้เนี่ยตอนหลังนี่แต่ก็ใช้เวลาช่วงที่เหลือเนี่ยนะทำสิ่งดีๆทั้งกับตัวเองแล้วกับครอบครัวแล้วกับลูกศิษย์ลูกหา แกเป็นคนที่ยอมรับชีวิตได้นะแกพูดว่าเนี่ยชีวิตคนเรามันเืมือการเล่นไพ่นะบางทีเราก็จั่วได้ไพ่ที่ไม่ดีมาแต่ว่ามันป่วยการที่เราจะบน่นว้ายวายตีโพยตีพายว่าฉันทำไมได้ไพ่ไม่ดีนักเล่นไพ่ที่ฉลาดนี่เขาจะไม่บัวมัวบ่นนะว่าทำไมเล่นไพ่ได้ไพ่ไม่ดีแต่เขาจะสนใจว่าทำไงจะใช้หรือเล่นไพ่ในมือให้ดีที่สุด คนที่ได้ไพ่ต่ําๆนะแต่ว่าสุดท้ายชนะได้นี่ก็ก็พราเขาไม่โมวแต่บน่นไม่โมวแต่โวยวายตีโพยตีพายแต่เขาพยายามนะเล่นไพ่ในมือให้ดีที่สุดชี่ิคนเราบางครั้ก็มีความพร่องมีความขุกขักนะมันป่วยการที่จะบ่นว่าทําไมฉันต้องมาป่วยไปโรคนั้นโรคนี้คือ ส, สำคันอยู่ที่ว่าเราจะ ทำยังไงกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในยามที่ยังมีลมหายใจในยามที่มียังมีสุขภาพดีพอสมควรอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะทีะ่น่าสนใจนะโดยเฉพาะคําพูดของหมอคนนี้นี่มันชวนทําให้คนไข้เนี่ยเขาหันมามองอแล้วก็รู้ว่าควรจะทําอะไรให้มันดีที่สุดนะสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่